ในระหว่างเดินทางไปพระพุทธเจ้าก็เรียกพระจุลบันทกมาบอกจะไปไน ái บอกจะไปเึกทําไมจึงเึกก็คุยกันไปว่าพี่ชายไล่ให้เซิกองก็ลูบหัวนะลูบเสียนของพระจุลบันทกบอกเราไม่ได้ไล่ให้ไปศึกนี่เธอจะเึกไปทําไมแล้วก็เอาไปก็สอนสอนเอาผ้านะอันหนึ่งมานั่งขยําผ้าเปื้อนฝุนผ้าเปือเป้อนฝุนก็นั่งขยําไปเรื่อยๆขยําตั้งชาละแล้วก็ได้เวลาพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ห้าร้รูปก็ไปฉันที่บ้านหมอชีวกนั ฝ่ายพระจุลบันทงนั่งขยำไปเรื่อยเห็นผ้าเส้าหมองเอ้ผ้านี้ตอนแรกก็บริสุทธิ์ดีตอนหลังมันก็เศร้าหมองด้วยอนิจจาสัญญาปฏิกูลมณสิการสัญญาที่ในอดีตชาติเคยเป็นพระราชาประทับนั่งบนคอช้างไปแล้วก็เหงื่อมันท่วมใช่ไหมก็เอาผ้าเนี่ยมาเช็ดหน้าผากเนี่ยนะเช็ดเช็ดพันธราชก็คือหน้าผากเช็ดเสร็จแล้วก็เห็นว่าผ้าตอนแรกก็สะอาดดีพอเช็ดหน้าผากกลายเป็นผ้าปฏิกูล ผ้าตอนแรกก็ไม่ได้ปฏิกูลแต่มาเจอกับกายที่ปฏิกูลผ้าก็กลายเป็นผ้าปฏิกูลมากท่านสังเวชมากเลยนะไอความสังเวช น, นั้นเป็นอุปนิสัยพระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยว่าเคยมีเพราะเชื้อแห่งอสุภาษณ์สัญญาอันนี้จะสัญญาเป็นต้นในอดีตก็เลยแนะนําวิธีเดียวกันพอขยําผ้าจนผ้าเศร้าหมองก็อุปนิสัยตัวนั้นก็เข้ามาแทรกพอดีแล้วก็สังเวชใจมากก็ปารกวิปัสนาพระพุทธเจ้าก็ แสดงธรรมให้ฟังเนี่ยนะมาแสดงธรรมให้ฟังเหมือนปรากฏเฉพาะหน้าแสดงจบท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันพร้อมกับอภิญญาหกพอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เสร็จเนี่ยนะท่านก็เนรมิตรกายอื่นเยอะแยะเลยคัะเนี้ยนีย่พระพุทธเจ้าหมอชีวกเอาอาหารมาจะถวายพรงษ์ก็ปิดบาดบอกว่าเหลือพระอนพิอพสอยู่รูปเดียวที่วัดพระมหาปัญโตก็นึกว่าน้องชายเนี่ยศึกไปแล้วบอกไม่มีพรงษ์ก็บอกว่ามีเสร็จแล้ว หมอชีวกนี่ก็รู้ก็เลยให้คนไปดูไปถึงพระจุลบรรทกรก็เนรมิตไว้พระพันรูปแล้วแต่ละรูปทํางานคนละอย่างอีกองคหนึ่งเย็บผ้าคนหนึ่งยอ้อมใบอีคนหนึ่งปัดกวาดทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างกันทั้งพันรูปเลยให้คนใช้ไปดูเขา้ากอ้ยพระไม่ใช่รูปเดียวมีตั้งพันรูปก็เลยกลับมาบอกหมอชีวกมีตั้งพันรูปบอกว่าพันรูปบอกว่าจะเอารูปไหนว่างั้นบอกรูปจุลบันทกรว่างั้น นายคนนี้ก็กลับไปใหม่ไปเห็นบอกองคไหนชื่อจุลบันทกทุกองค์ก็ว่าอาตมาก็ชื่อจูลบันทกองนี้ก็จุลบันทกจะเอาบันทกไหนอะคนนี้ก็เลยกลับไปใหม่บอกว่าคนไหนที่พูดครั้งแรกให้เอารูปนั้นเจถึงก็รูปแรกที่กล่าวว่าจุลบันทกก็จับแขนจับแขนปาบรูปที่เหลือก็หายไปหมดแล้วก็พามาพามาที่ฉันพอฉันเสร็จเนี่ยนะหมอชีวกก็บอกให้องค์อื่นกลับหมดเหลือพระจุลบันทกไว้เทศองคเดียว สารท่านก็เทศอุปนิสัยในอดีตท่านเป็นคนฉลาดมากะนะอย่างในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านก็สรงพระไตรปิฎกฉลาดมากแต่ว่าไอ้คนฉลาดมันก็ชอบล้อเลียนคนอื่นเห็นคนอื่นโง่ก็ล้อเลียนสักก็เลิกเรียนเลยไปล้อเลียนพระพิสุปัญญาทึบอยู่คนหนึ่งพระรูปนั้นก็ท้อใจที่จะเรียนพระไตรปิฎกก็กเลยเสื่อ ม, มนะกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ท่านชาติหลังๆมากลายเป็นคนขี้ลืมมากจําอะไรก็ไม่ได้ด้วยกรรมที่ไปล้อเลียนให้เขาจนเลิกศึกษาธรรมะ แล้วก็พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยเป็นพระอรหรันต์ทรงพระไตรปิฎกแสดงธรรมทีาทยาวเลยอันนี้ก็มโนโมยาอิทิหรือมโนโมยิทิก็สามารถเนรมิตกายได้เป็นพันองค์ส่วนญาณวิภาราอิทธเนี่ยนะก็คือคุณวิเศษที่บังเกิดด้วยอนุภาพแห่งอรหัตตญาณอันเพิ่งได้ด้วยอัตภาพนั้นก่อนหรือหลังเกิดขึ้นในขณะนั้นชื่อว่าญาณวิภาราอิท อย่างเช่นพระภากูละสังกิจจาสัมมเนิก็มีญาณวิภาราอิทิริษเนี่ยนะอย่างเช่นพระสังกิจจาสัมมเนินใช่ไหมสังกิจจาสัม ม, มเนินมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพิสุประมาณ30รูปเนี่ยนะจะไปลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณป่าแห่งหนึ่งขณะที่พระเถระเนี่ยนะสารูปจะไปอยู่นั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ไปลาพระสารีบตร ภาษาดิบวดก็เลยฝากสัมมาเนนไปด้วยองค์หนึ่งให้ไปคอยอุปถักพระทั้งหลาย30รูปนั้นก็บอกว่าอย่าเลยมันจะเป็นภาระแก่พวกผมแต่ที่จริงเนี่ยพระ30รูปจะเป็นภาระของสัมมาเนนต่างหากนะแต่ว่าแต่พระพิสุก็คิดว่าเอ้เนี่ยเอาสัมมาเนนอายุ7็ดขวบไปด้วยมันจะเป็นภาระแต่ก็ขัดคําสั่งภาษาริบุตรไม่ได้เนี่ยนะจริงภาษาริบวดรู้ว่าพระพิสุกสา30รูปที่พระพุทธเจ้าสั่งให้มาลาภาษาริบวดเนี่ยก็คือพภาษาริบุตรจะได้ฝากสัมมาเนนไปด้วยนั่นเอง ให้ไปช่วยสงเคราะห์พระพิสุิสามรูปสามสิบรูปนี้แล้วก็เอาพระสั ม, มเนเนี่ยไปด้วยนี้พอไปก็ไปพักอยู่ณป่าแห่งหนึ่งก็อยู่บำเพ็ญส ม, มณะธรรมไปมีสัมมเนคอยอุปถักมีวันหนึ่งก็มีคนกินเดนคนหนึ่งเนี่ยนะมาอยู่มาอยู่ไอมาอยู่ทานอาหารเศษอาหารที่เหลือจากพระบิณฑบาตก็อาศัยทานอาหารเหล่านั้นทีนี้พอทานอาหารมีวันหนึ่งก็คิดถึงบ้าน จะกลับบ้านก็เลยไปลาพระพอไปลาพระเนี่ยระหว่างทางไปก็ไปถูกโจรจับได้ไอ้ชายคนนี้เป็นคนอากาตันยูก็เลยบอกว่าบอกโจร น, น, นะนะคือโจรเขากําลังหาคนมาบูชายันพอดีก็เห็นชายคนนี้แหละเหมาะที่จะเอาไปบูชายันชายคนนี้มันก็เป็นคนอากาตรันยูก็เลยคิดบอกโอ้ยบูชาเอาข้าพเจ้าบูชายันเทวดาไม่ชอบหรอกข้าพเจ้ามันคนวันณนะตามคนชาติตามชาติเลี้ยไปเอาพวกวันนะสูงมาสิ บูชายันแล้วเทวดาจะถูกใจกว่างั้นบอกที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกเนี่ยวัดป่าตรงนี้แหละก็เลยชายคนนี้ก็เลยพาไปพาไปก็บอกเอาไปคนเดียวขอคนเดียวสามสิบรูปก็มานั่งเรียงกันแล้วก็สัมมาเนนองค์ที่หนึ่งบอกจะขอสละให้ทุกอง์เนี่ยบำเพ็ญส ม, มณะรมไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะสละอัตภาพไปไปให้โจ น, นี่เอาไปบูชายันก็ไล่ตามลําดับทุกคนก็เสนอตัวไปหมดในที่สุดสัมมาเนนก็ออกมาว่า เหตุนี้แหละท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ภาษารีบทส่งข้าพเจ้ามาสัมมเณีก็เลยบอกนะพระทั้งหมดบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดสัมมณีนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของภาษารีบทุทให้ส่งให้ไปถูกฆ่าได้ยังไงท่านก็บอกว่านี่แหละที่ภาษารีบทส่งข้าพเจ้ามาตามพุทธประสงค์ก็เพื่อกิจนี้แหละเสร็จแล้วก็นําสัมมณีนเนี่ยไปพอไปถึงก็โจรเขาก็เตรียมจ่ บูชายันก็จับนั่งท่านก็นั่งเข้าสมาบัติเนี่ยนะโจนก็เตรียมที่จะฟันคอบอปกตินี่เห็นใครที่จะถูกฟันคอเนี่ยนะหน้าตาตกตื่นไปหมดแต่นี้นั่งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสตามเดิมไปหมดโจนนี่ก็งงไปแล้วตนถึงก็ฟันดาบเพราะว่าพอฟันลงไปเนี่ยดาบก็เรียกว่ามันบิดเหมือนกับใบตาลเขางั้นก็เลยดัดซะใหม่ดัดแล้วก็ฟันอีกก็บิดอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็เลยโจนก็นอบน้อมท่านอะนะมีการถามตอบปัญหา สมมาเนก็แสดงทําให้ฟังฟังก็โจรกลับใจบวชห้าร้อยบวชเป็นสัมมาเนนห0า้คนแล้วก็ได้โจรเป็นลูกศิษย์500ก็เลยเข้าไปหาพระเถระพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนหลังก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์กันหมดเลยอันทังนกิจจะสัมมาเนรูปนี้ก็ได้ฤทธิ์จากอะไรจากทิ่อนุภาพของการบรรลุอริยมรรคนั่นแหละเรียกว่าญาณวิภาราอิทิ ส่วนริดอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิวิภาราอิทิก็เช่นคุณวิเศษที่บังเกิดด้วยอนุภาพแห่งสมถะก่อนหรือสมาธิหลังเนี่ยนะในขณะหรือในขณะนั้นนั่นแหละชื่อว่าสมาธิวิภาราอิทิเช่นพระสารีบุตรก็มีสมาธิวิภาราอิทิมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรกําลังนั่งเข้าพระสมาบัติใช่ไหมท่ามกลางวันเพนเลยนะโกนผมเสร็จใหม่ๆวันเพนด้วยกลางแจ้งเลยพลานหินยักคู่เวนเก่าคนหนึ่งเหาะผ่านมาถือกระบองมาด้วยเห็น เฮ้ยนี่เพื่อนเดี๋ยวฉันจะตีหัวพระเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้พระสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีอนุภาพนะยานะยายังไงก็อย่าห้ามมาอยู่ก็มันมันคู่เวรเก่านะพอผูกพยาบาทมานานแล้วก็เลยฟาดกระบองเนี่ยทุ่มลงไปบนศีรษะบอกถ้าปกติเนี่ยถ้าช้างเชือกใหญ่ๆน่ยล้มฟุบลงเลยหรือเขาลูกย่อมๆเนี่ยมุดจมดินไปเลยแหละแต่ด้วยอนุภาพของสมาธิคือเข้านิโรธสมาบัติของพระสารีบุตรก็ถูกตีนั่นแหละ ก็ตอนที่ภาษาริบุทออกจากสมาบัติก็เจ็บสักหน่อยหนึ่งเหมือนยุงกัดเหมือนกันแล้วก็ยักษ์นั้นอ่ะพอตีเสร็จเท่านั้นแหละร่างกายก็ลุกร้อนรนธรณีก็แหวกจมลงในปฐพีเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่ถูกธรณีแหวกลงแล้วก็ปฏิสนธิในนรกก็เช่นพระเทวทัต ย, ยักษ์อันนี้ยยักษ์ที่ตีภาษาลิบุตรแล้วก็นันทมานบเป็นต้นเนี่ยนะพวก น, นี้ก็ ฤทธ์นั้นน่ะชื่อว่าสมาธิวิภาราอิทิหรือพระสันชีวะที่เข้านิโรสมาบัติแล้วไฟไม่ไหม้เนี่ย น, นะหรืออุตราอุบาสิกาอุตราอุบาสิกานี่ก็มีสมาธิวิภาราอิทิฤทธิ์เหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งนางอุตราเนี่ยผู้เป็นบุตรของนายปุณณะบุตรของนายปุณณะชื่อว่าอุตราเนี่ยก็ไปแต่งงานกับตระกูลมิจฉาฐิติคือเป็นเป็นเศรษฐีอดีตนายจ้างนะ่ย น, นะ ก็มีลูกชายก็เลยขอเอานางอุตรานี่ไปแต่งงานด้วยตอนนั้นนางอุตราบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ไปอยู่กับสามีไปอยู่ไปเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วก็ไม่ได้เข้าบูชาพระสองฆ์องค์้าเจ้าอะไรเลยไม่ได้ทำบุญเลยเสร็จแล้วก็นางก็แค่ว่าเสียใจายมากนะไม่ได้เจริญกุศลตั้งสองเดือนกว่าเพราะว่าอยู่กับตระกูลมิจฉาทิฏฐิก็เลยบอกว่าพ่อปลดให้ตัวเองไปเป็นทาสเขาดีกว่าที่จะมาอยู่ในสภาพแบบนี้ พ่อก็เลยสงสารก็เลยให้สตังไปนนะให้สตังไปเพื่อจะได้ไปจ้างหญิงโสเพณีชื่อนางศรีมาเนี่ยให้ไปคอยดูแลสามีแทนฝ่ายนางก็จะได้มาทําบุญทุกวันเนี่ยนะนางก็มาทําบุญาทาบุญถวายทานทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันไปฝ่ายสามีก็ให้โสเพณีไปคอยดูแลไปนี่นางเนี่ยก็ทํากับข้าวเองอะไรเองเพื่อที่จะทําบุญเนี่ยนะหน้าตานี่ ข, ขมุกขมำไปหมดเลยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย หน้าตากำลังขมุกขมอมทํากับข้าวอยู่นั่นแหล ะ, ะนาสามีเนี่ยสามีกําลังก็อยู่นางกับนางสิริ ม, มาเนี่ยหญิงโสเพณีที่ไปคอยรับใช้เนี่ยนะเสร็จแล้วสามีก็เดินไปไปดูก็เห็นก็เห็นนางสิรินางอุตรานี่ก็ยิ้มบอกว่าหญิงคนนี้นายโง่จังเลยอยู่สบายสบายแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยดูสิขมักขมอมดูไม่ได้เลยนะก็ก็ขำขำไปนะก็หัวเราะไปขำขำไปว่าทาไมเมียโง่จังขนาดนี้ ฝ่ายนางอุตราเหลือบตาไปเห็นสามีเข้ากัหัวเราะเหมือนกันหัวเราะคนละอยางบอกทำไมสามีเราประมาทขนาดนี้เนี่ยนะก็เลยยิ้มนะยิ้มนะยิ้มยิมแบบหัวเราะทีนี้นางสิสริมานี่หึงขึ้นมานทันทีเอ๊มมายิ้มอะไรนะเห็นว่าสามีนางอุตรานี่ไม่ยิ้มอะไรเอา้าไปยิ้มกับนางอุตราทำนี้ได้ยังไงเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่ไปหลายวันนึ่ว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านไปเรียบร้อยแล้วเนื่ว่าเป็นเจ้าของบ้านก็เลยรู้สึกริษยานางอุตรามากโกรธนางอุตรามาก ก็เลยลงลงมาจากเรือนเดินลงมาตอนนั้นเขากำลังโทษน้ามันอยู่กระทะน้ามันเดือดเดือดอยู่พอดีเลยพอเห็นนางอุตราอย่างนั้นก็เลยไปตักน้ามันเนี่ยใช้กระบวยเนี่ยตักน้ามันจะไปรถศีรษะนางอุตรานางอุตราก็คิดในใจว่านางเสรีมาเนี่ยมีคุณกับเรามากเนี่ยนะ สูงจดภวกรกพรมว่างนันเพราะว่านางเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้เราได้ให้ทานรักษาศีลมีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนางนี่มีคุณมากก็เจริญเมตตาให้หนางเสริมานางศริมาก็ตักไอ้นเนยที่มันร้อนๆหรือน้ามันร้อนๆตักราดเข้าไปก็เป็นเหมือนกับน้ําเย็นร้อยหม้อราดไปบนศรีรษะการเรียกว่าอันนี้ก็ด้วยเรียกว่าสมาธิวิภาราอิทิริษของนางอุตรานี่นะน้ำน้ำก็กลายเป็นเหมือนกับน้ําเย็น บริวารของนางอุตตราก็เลยจะจับนางเสรมาเนี่ยจะทุบให้ตายเลยแหละนางก็เลยห้ามห้ามนางเสรมาก็ระ ล, ลึกได้ก็เลยไปขอโทษขาบอกขอโทษไม่ได้ฉันเป็นลูกมีพ่อบอกเออเดี๋ยวจะไปขอโทษนายปุณณะบอกผมไม่ใช่พ่อของฉันเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยพานางเสรมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นนางเิริมาฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะนางเสรมาน้องสาวหมอชีวกอ่ะนะ ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนางสาว ม, มาวดีนางสาว ม, มาวดีอุบาสิกาก็มีสมาธิวิภาราอิทิริสอันนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีมเหสีอยู่สามท่านก็คือนางสา ม, มาวดีพระนางวาสุรัตตากับนางมาคันธยานางมาคันธยานี่เกลียดจงเกลียดจงชังนางสา ม, มาวดีมากโทษฐานที่นับถือพระพุทธเจ้าก็เลยผูกเวรหาเรื่องกับนางสาว ม, มาวดีมาตลอดในที่สุดมีวันหนึ่งก็ เอาไปเอางูตัวหนึ่งอะนะถอนพิษให้หมดเสร็จแล้วก็เอาไปอยู่ใต้พินของพระเจ้าอุเทนเจ้าอุเทนเขามีพินอันหนึง่งที่เรียกว่าหัสดีลิงกันเนี่ยแปลว่าพินที่ดีดแล้วไร้มนปั๊บช้างชอบเหมือนกันเถอะเป็นพินพิเศษพระเจ้าอุเทนเนี่ยไปไหนต้องถือพินอันนี้ไว้อันหนึ่งถือว่าเป็นอาวุธประจําตัวเสร็จแล้วก็นางมาคันธยาก็เอางูเนี่ยอดอาหารแล้วก็ไปยัดไว้ที่พินเสร็จแล้วก็วันนั้นเนี่ยคืนนั้นอะพระเจ้าอุเทนเนี่ยอยู่กับนางมาคันธยารุ่งขึ้นจะไปอยู่กับนาง สามาวดีเนนางก็ออกแผนเลยบอกว่าเนี่ยหม่อมชั้นฝันร้ายอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไปไม่ดีพระเจ้าค่ะแต่จริงแล้วพระเจ้าอุเทนเนี่อรักนางสามาวดีมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็บอกว่ายังไงก็ไปเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับนางพอไปเนี่ยนางมาคันธยาบอกหม่อมชั้นไม่มั่นใจเลยหม่อมฉั้นขอไปด้วยก็ทําไปเดินไปเดินมาก็ไปเดืองไอไอ้จุกที่อุดกับพินนี่แหละออกงูมันก็ออกมานี่เห็นไหมหม่อมชั้นเตือนพระองค์แล้ว งูมันก็เหา่ามันก็ออกมาขู่ฟอดฟอดฟอจริงไม่มีพิษอะไร ห, หรอกเสร็จแล้วก็พระเจ้าอุเทนเนี่ยถูกแรงยุมานานถูกส่อเสียดมานานเนี่ยนะวันนั้นเพิ่งนึกโกรธได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยโกรธเลยทําอะไรก็ทําไปไม่คือจะไปยุแย่จะยังไงไม่เคยโกรธเลยวันนั้นเนี่ยงูเห่ามาขูทา่ท่านนึกโกรธขึ้นมาทันทีเลยบอกโอ้เธอดี่หวังดีกับฉันมากก็เลยดึงมาก็จะฆ่าทิ้งแล้วฆ่ายัางไงให้มันสะใจ เอางี้ก็แล้วกันนางสามาวดีมาพร้อมกับบริวา500ร500รไปยืนเรียงแถวยาวเลยทีนี้พระเจ้าอุเทนก็เลยเอาธนูมาจะยิงทีเดียวให้มันทะลุตาย500รอยเลยขึงธนูขึ้นมาใหญ่เลยทีนี้นางสามาวดีก็สอนให้ทุกคนเนี่ยเจริญเมตตาคือเจริญเมตตาให้ตัวเองฉันใดแก่นางมาคันธยาแก่พระเจ้าอุเทนฉันนั้นเนี่ยนะสมคนนี้ให้มีเมตตาเท่ากันเนี่ยนะเจริญเมตตาหวังความสวัสดีกับทุกคนให้ทุกคนปลอดภัยหมดเลยด้วยแรงแห่งเมตตา น, นั้นอะ พระเช่าอุเทนเนี่ยธนูนี่เข่งขึ้นแล้วแต่ปล่อยก็ไม่ออกวางก็ไม่ได้เงือก็ท่วมอยู่นั่นแหละก็ลําบากมากเหงือท่วมก็เลยขอโทษนางสามาวดีนางสาวมาวดีก็อดโทษให้ในที่สุดก็กลายเป็นว่าให้พรได้ฟังทำได้อะไรไปเนี่ยนะพระนางสาวมาวดีก็ชื่อว่ามีสมาธิวิภาราอิทิริศเนี่ยนะก็คือริดด้วยเมตตาเนี่ยนะอนุภาพของเมตตา ก็เลยเป็นว่านางสามมาวดีนี้เป็นเลิอทางเมตตาวิหารีอยู่ด้วยเมตตาแต่ว่าด้วยเศษกรรมเก่าในนางก็ถูกเผาตายเหมือนกันเศษกรรมเก่าที่เคยไปเผาใครเผาพระประเจกพระพุทธเจ้าอย่าทําบาปเลยนะเวลาบาปมันให้ผลนไม่เลือกที่จริงๆเลยถูกเผาได้พร้อมแบบทุกที่เลยอุตษาไปเป็นมหสีแล้วก็ยังถูกเผาอีกแต่ในอัตถกะถาพุทธวงศันบอกว่าไม่เอามาเล่าหมดหรอกถ้าเล่าหมดแล้วมันจบไม่เป็นกลายเป็นมาหาคัคามภีร์ออกมาเงั้นเป็นโทษ บอกว่าคำพีถ้าพิสดารเกินไปนี่ก็ถือว่ามีโทษเหมือนกันน่นะแต่ของเราทั้งหลายเอาทำไมว่าจะยืดยาวก็ถ้าเราเรียนให้จบเร็วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรงนั้นนี่มาดูอริยริดเรียกว่าอริยอิทธิอริยอิทธิก็คือริ์ของพระอริยอริยอิทธิริ์ของพระอริยเป็นไยเป็นอย่างไรก็คือภิกษุในศาสนานี้ถ้าหวังว่า เรานั่งอยู่มีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลซ้ายย่อมอยู่ก็มีความสําคัญว่าไม่ปฏิกูลในอารมณ์นั้นได้คือหมายความว่าไปเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่ปกตินี่อย่างเช่นคนเนี่ยถ้าเห็นโจรเป็นต้นเนี่ยหรือเห็นงูเงิ้วเขี้ยวเสือที่มันน่ากลัวน่ารังเกียจน่าขยะแขยงที่สุดเนี่ยนะคนต้องมีโทสะใช่ไหมปกติแต่ท่านบอกว่าท่านเจริญเมตากับสัตว์เหล่านั้นได้ เจริญเมตตากับเพชฌฆาตผู้ถือดาบรักประดุษบุตรในไส้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าถือว่าไม่ปฏิกูลก็คือมองเห็นโจรถือดาบก็เห็นเด็กถืออะไรนะถือดาบเด็กเล่นนะเห็นเหมือนกับลูกถือดาบเด็กเล่นมาอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดนึกโกรธอะไรเลยก็เหมือนกับสมมติว่าเห็นโจรถือปืนมาก็เหมือนก็เห็นเด็กเล็กๆถือปืนเดินเล่นน่ะคือนึกเท่านั้นน่ะไม่ได้นึกว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าอะไรเขาเรียกว่าเห็นสิ่งที่ปฏิกูลแล้วไม่ปฏิกูล อันนี้เครียกว่าอริยริตรของพระริยเจ้าหรือเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสวยที่สุดท่านบอกว่ามันปฏิกูลมากเลยท่านก็ปฏิกูลโดยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อคือท่านคิดยังไงก็ได้อย่างเช่นบอกว่าไม่ปฏิกูลท่านว่าปฏิกูลก็ได้ว่าไม่ปฏิกูลก็ได้หรือปฏิกูลท่านว่าไม่ปฏิกูลเพราะอะไรเพราะท่านชำนาญในการเจริญอ น, นิจจานุปัสสนาอย่างหนึ่งท่านชำนาญในการเจริญ أ, เมตตาอย่างหนึ่งชํานาญในการเจริญธาตุกรรมฐานเนี่ยอย่างหนึ่งชํานาญในการเจริญอสุภะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยท่านจะโดยอนิจจังก็ได้โดยอนิจจานุปัสสนาก็ได้อารมณ์ไหนไหนท่านจะเจริญโดยอนิจจานุปัสสนาก็ได้จะเจริญโดยอสุภะก็ได้เจริญด้วยธาตุกรรมฐานก็ได้จะเจริญด้วยเมตตาก็ได้ทําได้กับทุกอย่างกับทุกอารมณ์เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าอาริยอิทธิฤทธิของพระอาริยเจ้า หรือพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าจะไม่ใส่ใจในทุกอารมณ์ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขามีสติสัมปชัญญะก็คือเข้าพระสมาบัติต่อไปเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าริดของพระอริยะริดของพระอริยะเนี่ยชื่อว่าอริยอิทธิเพราะเป็นแดนเกิดแห่งพระอริยะทั้งหลายผู้มีความชํานาญดางใจผู้มีชํานาญความชํานาญทางใจประสงค์จะคิดนึกสิ่งใดก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าคิดชั่วนะไม่ทุกอารมณ์ท่านสามารถหนึ่งเจริญ อ น, นิจจานุปัสสนาก็ได้2 อ, อสุภาษสัญญาก็ได้3าธาตุกรรมาฐานก็ได้4เมตตาก็ได้ไอคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงคนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านสามารถเจริญ4ประการนี้ได้ทั่วในครั้งหนึ่งนะหนึ่งอ น, นิจจาก็ได้อ น, นิจจานุปัสสนาก็คือถ้าเกิดเจริญอนุปัสสนาก็ได้2เจริญอสุภาษกรรมาฐานก็ได้3เจริญธาตุกรรมาฐานก็ได้4เจริญ เมตตากรรมฐานก็ได้ก็เท่ากับเจริญพรหมวิหารได้กับทุกสัตว์ทุกบุคคลเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญทางใจชํานาญทางความคิดเนี่ยนะเรียกว่าเลือกที่จะคิดอะไรก็ได้อย่างที่ประสงค์จะคิดเรียกว่าอริยาอิทธิเนี่ยนะเรียกว่าคิดได้อย่างที่อยากคิดแบบนั้นนะคิดให้มีเมตตาก็ได้คิดให้ใส่ใจแต่ธาตุอย่างเดียวก็ได้คิดไหมอะ่ะอันนี้จังอันนี้จานุปัสนาหรืออนุปัสนาเจ็ดก็ได้เจริญ อสุภาษสัญญาเนี่ยนะโดยนิยต์ต่างๆโดยประการต่างๆก็ทําได้หมดเรียกว่าฤทธิ์ของพระอริยเจ้าอันนี้เรียกว่าฤทธิ์ที่พระองค์สันเสริญยกย่องมากกว่าฤทธิ์ที่แปลงร่างจําแลงกายหอเหินเดินอากาศเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญแบบนี้มากกว่าเพราะว่าฤทธิ์แบบโน้นของปุถุชนฤทธิ์แบบนี้ฤทธิ์ของพระอริยเจ้าเพราะฤทธิ์ของพระอริยเจ้าให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเพื่อกําจัดบาป อกุศลที่สุดเพราะบาปอากุศลเนี่ยนะอย่างคนอื่นยอมรับเสร็จแล้วอะไรที่สุดเราตกนรกช่วยอะไรเราได้อย่างฤทธิ์ของพระเทวทัพเนี่ยนะแสดงฤทธิ์เพื่อให้พระเจ้าอาชาติศัตรูยอมรับแต่ท้ายที่สุดเพราะฤทธิ์นั่นแหละเป็นปัจจัยอันหนึ่งละ่ะตกนรกเลยไม่เหมือนกับฤทธิ์ของพระอาริยเจ้าที่ปรารบมุ่งบำบัดขจัดบาปอากุศลที่อยู่ในภายในพันฤทธิ์อันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อบรรลุมรคนิพพานอย่างแท้จริงก็เลยเรียกฤทธิ์ของพระอาริยเจ้า ต่อไปกรร ม, มวิปากระชาอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากกรร ม, มวิบากรเรียว่าเกิดมาจากกรรมเหมนะเพราะกรรมเป็นปัจจัยฤทธิ์ที่มีการไปในอากาศได้เป็นต้นของเหล่านกทั้งหมดนกบินได้ก็เพราะมีบุญน่ยนะมีมีกรร ม, มวิบากฤทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันแหมบางคนบอกตั้งความปรารถนาะอยากจะเป็นนกเนี่ยนะเพื่ออยากบินเท่านั้นเองแล้วไม่คิดว่ามันเมื่อยบ้างหรือไงเนาะบินไกลๆนี่มันเมื่อยเมื่อยบาดแล้ใครจะไป น, นวดให้ใช่ไหม มันก็เลยบอกว่า อ, อย่าไปปรารถนาะเป็นนกอะไรเล ย, ยเมื่อจะตายไปต้งบินไกลๆแล้วบินหนีอย่างนู้นบินนีนะอย่างนกเล็กๆก็บินหนีนกใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเมื่ อ, อต้องบินข้ามน้ําบินทลารลมเป็นต้นสไปถ้าฤทธิอย่างหนึ่งของเทวดาเนี่ยนะกรร ม, มาวิปลากระชาอิทธิฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ของเทวดาทั้งหลายที่ไปในอากาศได้หรือของมนุษย์ต้นกับมนุษย์ต้นกับที่มาจากพรหมโลกเนี่ยไปไหนด้วยไปโดยอากาศได้หรือวินิปาติกสัตว์ เช่นว่าพวกวินิบาตบางพวกบางเหล่านะเช่นเปรดบางพวกก็เหาะได้นะเหาะได้ไปไหนมาไหนเหาะได้แต่ไม่เห็นโก้เลยนะเป็นพวกเปรดและเหาะไดไ้เห็นโก้ตรงไหนเลยนะอันนี้กรฤทธิ์ที่เกิดจากกรรมส่วนปุญญวโตอิทธิฤทธิ์เรียกว่าฤทธิ์ที่เกิดจากบุญเวลานั้นฤทธิ์ของผู้มีบุญเช่นพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จไปทางอากาศพร้อมทั้งกองทัพสี่เหล่าก็ได้อันนี้เป็นบุญบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิทำให้เป็นไปตามอํานาจของจักร หรือภูเขาทองขนาด8 0ดบาอกบังเกิดแก่เฉติละเครือหาบดีอันนี้ก็เป็นเป็นฤทธ์บุญฤทธิ์เหมือนกันนะบุญฤทธิ์ของท่านทำให้พอท่านเกิดมาปับ๊บพอท่านแต่งงานสร้างบ้านเท่านั้นภูเขาทองก็ผุดขึ้นสูง82อกเนี่ยะหรือโคสกะเศรษฐีโคสกะเศรษฐีเนี่ยในอดีตเคยเป็นหมาเห่าพระเจกับพพุทธเจ้าด้วยศรัทธาเออเห่าด้วยศรัทธานะ คอยป้องกันดูแลพระประเจกพระพุทธเจ้าบุญกรรมที่เกิดเป็นสุนัขเห่าพระประเจกด้วยศรัทธาแล้วดูแลพระประเจกกรรมอดีตเนี่ยเคยไปปล่อยลูกลูกตายมันก็ถูกพยายามฆ่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยวางแผนฆ่าเจครั้งก็ไม่ตายเพราะว่ากรรมที่บุญที่ได้เคยบูชาเห่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเอาไว้